เครื่องเครื่องอัดเสียงนี่ก็เป็นเครื่องมืออย่างเราก็ใช้ไปเวลาเสียเราก็ซ่อมซ่อมไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมันไปหรือเก็บเอาไว้ก็ได้เป็นที่ระลึกแต่ทำประโยชน์ไม่ได้ร่างกายของคนเราแค่เส้นเดียวันเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลรักษาไปเรื่องของเขารักษาได้ก็ก็ดี ถ้าษามไม่ได้ก็ก็ดีมันดีทันะ้งนั้นเนี่ยเพราะว่า <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับเรา <c oughs> เราก็องเยใจใจคือตัวรู้ผู้รธาตุรู้ไม่ใช่ร่างกายเป็นธาตุสีน่างกายเป็นดินน้ำเงินไฟหรือเครื่องไม้ใช้สายต่างๆก็เป็นธาตุเป็นวัตถุเ <c oughs> ราพยายามแยก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 ผู้ที่มีความยุ้เห็นุนักคิดก็คือ่ารยึดท่ารู้นี้เท่านั้นแต่ว่าท่ารู้นี้ไม่มีปัญญาไม่มีสมาทิฏฐิไม่เห็นว่าตัวท่ารู้เองนี้ไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งต่างๆที่ตัวท่ารู้นี้ไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นนั่งตายหรือเข้าของต่างๆ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 เราไม่สามารถสังรางกายให้สาวไปตลอดให้เป็นสาวล้านปีเป็นหนุมล้านปีได้เขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุวัยของเขาอา น, นิจังก็คือเขาไม่เขาไม่นิ่งไม่คงที่เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิในครันของมารดาก็ ม, มีการจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลาดับ พอเจริญเต็มที่ก็ต้องออกมาจากครรภ์ก็จะกมีการคลอดมีการเกิดแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับการดูแลด้วยอาหารน้ำลมแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับก็จเจริญไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆจนถึงขีดสูงสุดของความจเจริญหลังจากนั้นก็จะเริ่มเสือ่อม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 ด้วยการดับความอยากต่าง ๆ, ๆเพราะความอยากต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ต่างๆภในใจของเราการจะดับความทุกข์ต่างๆได้ดับดับความอยากต่างๆได้ก็เกิดจากการที่เราเห็นอนนิจจังต่านักตาในสิ่งต่างๆนั่นเอส่วนใหญ่เรามากักจะไม่เห็นกันเราเห็นอะไรเรามากักจะคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอด เราได้อะไรมาเราไม่เคยคิดว่าได้มาแล้วเราจะต้องเสียมไปทั้งวันเมื่อเราต้องจเขาไปทั้งวันเราคิดว่าเราได้แล้วเราจะมีความาสุขสบายเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่เคยคิดว่าเขาเป็นเหมือนยุคระเบิดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มานี้เป็นเหมือนยุคระเบิดเวลารอเวลาที่เขาจะระเบิดใจเราเวลาที่เขาเกิด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 มีความมีมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันไปนมีกำลังที่จะหยุดตันหาความอยากต่างๆได้ต่างกันไปนจึงจึงแบ่งเป็นห้าระดับในการพัฒน์ระดับของผู้ถุชนด้วยเขาผุ้ถือชนเราก็มีสติปัญญาแต่อยู่ในระดับที่ยังดับความอยากต่างๆไม่ได้ดัได้มาก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 การตายตายด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสมมติว่าอดตายหรือเวลาที่ถูกผู้อื่นเขาฆ่าแล้วไม่ข้อสตู้กับเขาป่อให้เขาฆ่าเวลาตายไปใจ ไ, ใจไม่ได้ทำบาปใจไม่ต้องไปเกิดในบบายใจไม่ต้องไปใช้กรรมต่อด้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงขัง้นสูงสุด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 อาศุภะกรรมฐานหรือปฏิกูลกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลาจนเห็นทุกลมหายใจเข้าออกอามารมณ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาทำงานได้ทุกครั้งที่จะออกมาปั๊บก็จะถูกมรกคือส ม, มาทิทีิคืออสุภะกรรมฐานปฏิกูลกรรมฐานนี้ดึงเอาไวนะ้แล้วกอดเอาไวนะ้แล้วดับ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 ถ้าเห็นนั้นเห็นนนนจังเห็นนั น, น น, นกตายแล้วไม่เกิดความอยากให้เป็นอย่างอื่นมันก็จะไม่เกิดทุก ข, ขังขึ้นมาตายรักนี่มันก็มีการเห็นตายรักนี้เรื่องสัมมาทิฏฐินี้ก็เห็นว่มีต้องหลายระดับด้วยกันระดับพระโสดาบันพระสติดาคาเมียพระอนาคาเและพระอราหันต์สำหรับพระอาหารหันต์นี้ท่านต้องมาดูตายรักภายในจิต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 มันก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่มีแกฤฤฤ่เจบมีเกิดมีแก่มีเจ็บจะตายเป็นอนัตตาเหมือนกันไปห้ามทาไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็ต้องยอมรับเขาตามความเป็นจริงของเขาเขาจะสุด ก, ก็ก็รู้ว่าเขาสุดเขาจะไม่สุดเขาจะเปลี่ยนไปก็ยอมรับว่าเขาเปลี่ยนไปเขาจะสว่างหรือเขาไม่สว่างสวายก็รู้ตามความจริงที่เขาเป็นอยู่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 เขาจะสงวบก็ปล่อยเขางสงบไปพอ เ, เขาไม่สว่างไม่สงบก็ต้อ ง, อ ง, งอปล่อยเขาเพียงเดียวัปพอปล่อยยาวความสว่างความสงบนี้มันก็จะหายไปเองเราเพียงแต่ทําใจเราให้เป็นกลางให้รู้สักแต่เรารู้ตามความจริงของเขาเขาจะเป ล, ential, ลี่ยนก็ปล่อยเขาเปลี่ยนไปเขาจะส win, ว่างก็ปล่อยเขาสว่างไป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 ไม่มีความสว่างหรือความสงบมันก็ว่าความสว่างและความสงบของจิตนั้นมันก็ยังเป็นสมมติฐานเป็นเหมือนเม่หมอกเข้ามาผู้ปฏิบัติถึงจะเข้าใจเมื่อปฏิบัติไปถึงคั้นละมันมีความแตกต่างกัน ร, ระหว่างความสงบความสว่างที่วิเศษวิโสที่สุดสำหรับการปฏิบัติเลย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 ภพชามันก็ไม่มาจากอะไรมันก็มาจากกา ร, าารวัตถนาภาวตัตถาวิภาวตัตถานี่นก็ถึงพูดได้อย่างเป็นปว่าไม่เกิดอีกแล้วเมืม่อมีไม่มีการอยากแล้วมันจะไปเกิดได้อย่างไรมันเป็นสันทิฏฐิโกอากากรนิโกจดจดล้องๆ่งนี่ยหเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา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 สำคัญอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นนี่คือหลักที่ประการมรรคมิพานอยู่ที่อยู่ที่การปฏิบัตินังที่พระองค์ทรงตรัสว่าตรัได้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันจะไม่ปัจสัโรวงนี้จะมัจงนี้จะไม่ตัจสัจรวง น, นี้จะไม่ปราสัจรรรพะพระอรหัน เพาว่าธรรมนี้เป็นอากากริีก่อไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้จาไม่ได้เอามรกผลนี่ผ่านไปกับท่านท่านฝากไว้ในสจ้าลกาโตพระพุทธเจ้าธรรมนในใน ส, สุปฏิปันโนโอุชุ ย, ยานญาสสามีจิปฏิปันโนนี้ที่อัตาหิอัตนโนนาโถอยู่ที่ตัวเราในที่สุดมันต้องกลับมาที่ตัวเราตัวเราต้องเป็นผู้สังหาความรู้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 ทำใม้นิสัยว่าร่างกายมันอ่อนเพลียลงไปเท่านั้นเองแต่การอ่อนเพยงร่างกายนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีกำลังนะเพราะกำลังมันอยู่ที่ใจถ้าขณะที่หัวาหารแล้วเราปฏิบัติไปด้วยทำํำจิตให้สงบได้เนะี่มันจะมีพลังที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้มากกว่าตอนที่เรากินอาหารอย่างปกติเอง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 รูปประคันของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้ของสิ่งต่างๆก็ได้มันจะเพลินและมันก็จะปล่อยวางไปตามลำดแบบับความอยากเกี่ยวกับเรื่องเรื่องต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปวความอยากมันเบาบางลงไปความสุขในใจมันก็ เ, นเพิ่มมากขึ้นไปความสงบความทุกข์ของร่างกายไม่ได้อยู่ที่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ความสงบความทุกข์ของร่างกาย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 แต่พอเราอดอาหารนี่เรารุ้นเลยว่าเผลอไม่ได้เนะี่ยมันจะคิดถึงอาหาราการโปรดเลยแล้วพอคิดแป๊บนี่มันจะทุกขามากจังแล้วมันจะคิดแบบไม่หลุดด้วยมันจะไม่ได้คิดแป๊บแล้วมันจะหยุดแต่มันยิ่งปรุงแต่งใหญ่เพอพอพอรู้อย่างนั้นแนะ้วพอเวลาอดอาหารนี่จะต้องคอยบังคับให้ให้นั่งสมาธิก่อนแล้วพอจะสมาธิก็ให้เท่าทางจะโฟต่อไปควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลา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 ไม่ค่อยคิดที่จะต่อสู้เราค่อชอบติดอยู่กับสภาพเดิมของเราแล้ว เ, เคยกินเคยอยู่ของเราอย่างไรเราก็จะอยู่เราก็จะติดอยู่กับสภาพนั้นจิตใจของเราก็จะไม่ค่อยได้พัฒนาขึ้นไปเพราะเราจะไม่คิดถึงเรื่องการนั่งสมาธิการเจริญสติการเดินโยกมือเท่าไหรแต่ถ้าเราต้องการยกระดับจิตนอง เ, เให้สูงขึ้นเราต้องเรีอนรู้บา้าง ถ้าเป็นคารวะเบื้อนต้นก็จากท่ารักษาสีลห้าก็ให้นักษาสีลแปดศีลแันก็มีการมีการยกระดับการปฏิบัติให้สูงขึ้นหนมีเหตุการณ์บางคับให้ปฏิบัติเช่นให้กินข้าวไม่เกินเทียงวันเแล้วเ่องการบันเทิงก็ให้ตัดไปหนึ่งไม่ให้ดูหนังฟังเพลงโทรทัศน์วิทยุไม่ต้องฟัง เอาเวลาแล้วมานั่งสมาธิมาเดินโยกมมาฟังเทศน์ฟังธรรมมันถึงจะมีการเจริญเติตโตตน้น้ายถ้าไม่คอยใ ส, ใส่ปุ๋ยใส่น้าให้มันมันจะโตได้อย่างไรหมูกมันไว้แล้วก็ทิ้งมันไว้เองนั่นหลน้งก็ไม่ให้หรือให้ก็ให้แบบพอพอพอประทานชีพแตวันวันงมันก็ไม่โตมันก็เพียงแต่คงอยู่ตรงนั้น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 อยู่ตรงนี้ถึงจเหวาะกับเราตารางที่มันต้องเป็นที่นิเวศแต่บางคนชอบในป่นาบางคนชอบที่โลก ต, ต้องดู ว, ว่าอันไหนยังเหมาะกับเราปัจะความสบายไม่ใช่นาั้นแนละ้วเราก็จะจะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนแล้วก็จะไม่ได้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 มันก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลบพันยันพระเจะาทรงเน้นให้สร้างที่เงินใจอย่างเดียวด้วยศีล ส, สมาธิปัญญา <c oughs> พวกเราก็ต้องพิจารณาดูนะโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เจอพระพุทธศาสนาอย่างนี้มีไม่มากนะอาจจะนานานสักครั้งง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 ไม่หาภาชนะมาลองแลยเอามาลองไว่เสียหาภาชนะมาลองว่าเราจะได้มีน้ําใช้ในเวลาที่น้ํามันไม่มี น, นะถ้าจะเรียสติไปเรื่อยๆพอเรามีสติแล้วเราก็จะไม่ลําบากร่างกายจะแก่จะเป็นยังไงก็ปฏิบัติได้เพราะเราปฏิบัติที่ใจของเรามีสติแล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติได้เสจ็บไข้ได้ปวดน่อ้าดนเตียงก็ปฏิบัติได้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 น้อก็ถ้าไม่เจ้หาหน้าแต่ไม่ถ่ า, ายก็งไม่ถ่ายถึงไปปฏิบัาติได้ใหท่าไรก็ปฏิบัติถ้าเท่าเท่าเดิมไปก่อนเดี๋ยปฏิบัติให้น้อยกับเดิมเดีดเนะ๋ยวทำให้น้อยกว่าเดิมรักษาการปฏิบัติของเราในระดับเดิมให้ได้มากนใครมีจะถามปัญหาอะไรไหม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 ไม่มีนัดกันนี่นะเดี๋ยวเราอยูเหมือนูไม่ถอยนะคะเีวาอยู่บ้านเหมือนนยไปอยู่บ้านอยู่บ้านอไปอยู่นบ้านกัีย ครับเนี่ยก็าําไม่ถนอดนอนครับขอะไรอุบายนี่คือยังไงนะก็ายาวสู้ความ ง, ง่วงคือใช้สารเมดิการ์ดคือว่าไม่นอนเอีหลังจะยืนเดินนะก็นั่งถ้าจะหลับก็ให้นหลับอยู่ในสาร<ช>เมดิาร์ดนครับแล้วถ้าเราอยู่หลับ่ในสารเมาร์ดแนี้มันไม่จะหลับไม่นา น, าวนาเวลาร่างกายมันม่วงมากๆมันก็จะนั่งหลับไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่เอียงหลังกมันก็จะนอนไม่ไม่นาน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 อยู่กับชาวป่าชาวเขาอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์แต่ท่านก็มีมีสิ่งน้อน้องที่จะสนับสนุนการภาวนาแลวปฏิบัติต้องเดินตายต้องนอนกับดินกินภรายได้ต้องไม่ไม่ไม่ยึดตกัเรื่องเรื่องการอยู่การกินมากเกินเกินไป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 ท่นรู้มากแปดนะทานรู้อริยศัจสี่ท่านได้เข้าสู่กระแสคำว่าโวนาวัลนี้ก็มาจากคำว่าโสตโสตภาษาบาลีเป็นกระแสกระแสสุภนิพพานเหมือนกับขึ้นทางด่วนะพอขึ้นทางด่วนแะล้วนะก็วิ่งไปตามทางด่วนเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ทางด่วนมันพาไปพอพอได้เห็นใจรักนะแล้ว เห็นว่ามีการเกิดตั้งดับไปเป็นธรรมดาเมันก็จะมันก็จะได้ได้เข้าสิ่กระแสละกระแสะนี้ก็จะพาผ่านขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสุดท้ายถึงจุดหมายปลายทางได้โดยต้งไม่ไม่ต้องมีใครมาสอนก็ได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้ปฏิบัติว่ามีมีมากมีน้อยถ้าฉลาดมากก็จะบรรลกได้เลย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 ตาลักอนิจจงอ น, นิจจงแล้วก็อนัตตาถ้าเห็นอ น, นิจจงอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางตามความจริงได้ก็จะไม่มีทุกข์ขังถ้ามีทุกข์ขังก็แสดงว่ายัางไม่ปล่อยพอเรียกพอเัยครับ ให้โอกาสเนี่ยนงค่ะอาจายมีใจให้อง